ซึ่งก็แปลว่าถ้าภาวะทางกายใจอย่างใดปรากฏเด่นภาวะนั้นย่อมถูกรู้เท่าทันโดยความเป็นของไม่เที่ยงทันทีตามความเคยชินที่ได้เห็นอนิจจังของลมหายใจอยู่เสมอเสมอที่ทำให้ฉันได้ข้อสรุปว่าการใช้ลมหายใจเป็นที่พึ่งรวมทั้งใช้แทรกแสงอารมณ์ลบต่างๆนั้นจัดว่าสำคัญและจาเป็นต่อจิตที่ยังดิ้นพล่านเป็นปลาช่อนถูกทุกหัว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 ก็เห็นคล้ายสายหมอกบางเบาลอยมาคลอเคลียผิวน้ําเรียบนิ่งครู่หนึ่งแล้วมวนสลายหายหนไปเหลือแต่ความเงียบเชียบดุดแผ่นกระจกใสสว่างว่างเป็นเอกภาพปราศ จ, จากความอยากได้อะไรมากกว่านั้นพอเหลือแต่ภาวะดีดีจิตก็เลยมีอาการยอมรับตามจริงได้ง่ายขึ้นรวมทั้งไหวทันอกุศลละธรรมทั้งหลายที่จอมาเยือนจิตโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ